สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชวิตรพยยตระเยซูตอนที่469เรื่องผู้หญิงคลอดลูกพระเจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอหนบทที่16ข้อ16จนถึงข้อที่26นะครับพระธ ร, รมยอหนบทที่16ข้อ16จนถึงข้อที่26 โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าอีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราสาวกบางคนของพระองค์พูดกันว่าที่พระองค์ตรัสกับเราว่าอีกหน่อยท่านทั้งหลายก็จะไม่เห็นเราและต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเพราะเราไปถึงพระบิดาเหล่านี้หมายความว่าอะไรเขาพูดกันว่าอีกหน่อย นั่นหมายความว่าอะไรเราไม่ทราบว่าอีกหน่อยที่พระเยซูตรัสนั้นหมายความว่าอะไรพระเยซูทรงทราบว่าเขาอยากทูลถามพระองค์ฟงจึงตรัสกับเขาว่าทั้งหลายถามกันอยู่หรือว่าเราหมายความว่าอย่างไรที่พูดว่าอีกหน่อยท่านก็จะไม่เห็นเราแต่ต่อไปอีกหน่อยท่านก็จะเห็นเราเระบอกความจริงแก่ทั้งหลายว่าท่านจะร้องไห้และขำครวญแต่โลกจะชื่นชมยินดี ท่านหลายจะทุกโศกแต่ความทุกโศกของท่านจะ ก, กลายเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อผู้หญิงจะคลอดบุตรนางก็มีใจความทุกข์เมื่อถึงกำหนดแล้วแต่เมื่อคลอดบุตรแล้วนางก็ไม่คิดถึงความเจ็บปวดเลยเพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่งเกิดมาในโลกชั้นใดก็ดีขณะนี้ท่านทั้งหลายมีความทุกข์แต่เราจะมาหาท่านอีก และใจท่านจะชื่นชมยินดีและไม่มีผู้ใดจะช่วงชิงความชื่นชมยินดีไปจากท่านได้ในวันนั้นท่านจะไม่ถามอะไรเราอีกเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านขอสิ่งใดจากพระบิดาพระองค์จะประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่านในนามของเราแม้จนบัดนี้ท่านยังไม่ได้ขอสิ่งใดในนามของเราจงขอเถิดแล้วจะได้เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็มเปี่ยม เราพูดเรื่องนี้กับท่านเป็นคำอัดวันหนึ่งเราจะไม่พูดกับท่านเป็นคำอัดอีกแต่จะบอกท่านถึงเรื่องพ่อปดาอย่างจำแจ้งในวันนั้นพวกท่านจะทูลขอในนามของเราและเราจะไม่บอกท่านว่าเราจะอ้อนวอนพ่อปดาเพื่อท่านขอต่อในข้อที่ยี่สิบเจ็ดยสบแปดนะครับเพราะว่าพ่อปดาเองก็ทรงรักท่านทั้งหลายและท่านรักเรา และเชื่อว่าเรามาจากพระบิดาเรามาจากพระบิดาและได้เข้ามาในโลกแล้วเราจะจากโลกนี้ไปถึงพระบิดาอีกพี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในหลายตอนนะครับพระเยซูก็ยกภาพเปรียบเทียบหญิงคลอดบุตรผู้หญิงที่กำลังคลอดลูกนั้นพระเยซูใ้เปรียบเทียบกับเหตุการณ์อย่างน้อยสามเหตุการณ์ด้วยกันครับเหตุการณ์แรกก็คือคำสอนเรื่องการเสด็จมา ทั้งที่สองของพระเยซูพระเยซูสอนว่าเหตุการณ์ที่พระเยซูจะเสด็จมา ท, ทั้งที่สองนั้นจะมีการเตือนเหมือนกับผู้หญิงเจ็บท้องที่มีการเตือนเป็นละลอกละลอกละ ล, ะลอก แ, กแรกๆเมื่อผู้หญิงเจ็บท้องคลอดนั้นความเจ็บปวดหรือจุดสูงสุดของความเจ็บปวดที่เรียกว่าเพนทิกนะครับทิกออฟเพน ก็คือจุดสูงสูนความเจ็บปวดนั้นมันจะนานๆ น, า, นาทีหนึ่งแต่เพื่อเริ่มใกล้คลอดเข้ามาเท่าไหร่นะครับก็จะปวดท้องปวดมากๆนะครับและก็ปวดถี่ขึ้นอันนี้เป็นสัญญาณที่ทำให้เรารู้ว่านี่แหละเป็นสัญญาณเตือนที่เล็งถึงการเสด็จมาของพระเยซูอันนี้เป็นคำสอนแรกความเจ็บปวดของหญิงที่กาลังจะคลอดบุตรนั้นก็เหมือนกับว่าเป็น เหตุการณ์ต่างๆที่แต่เดิมนั้นเกิดน้อยแต่ตอนนี้เริ่มเกิดถีขถ่ขึ้นถี่ขึ้นถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการสงครามการกันดารอาหารแผ่นดินไหวภัยพิบัติต่างๆความอดอยากและสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโ ล, โลกและได้พัฒนารุนแรงรวดเร็วและเพิ่มความถี่ของมันอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองครับผู้หญิงขอดบุตร ใช้เปรียบเทียบกับการที่เรียกว่า อ, อีกหน่อยหนึง่งอีกหน่อยหนึง่งอีกหน่อยหนึ่งถ้าพี่น้องนับนะครับในพระธรรยอห์นบทที่สิบหกข้อสิบหกนะครับที่ผมอ่านในตอนเนี้ยมีคําว่าอีกหน่อยหนึงหนหน 7, 8, 8, ่ ง, ง อ, อ, อีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งนะครับเจ็ดแปดครั้งเลยทีเดียวครับแสดงว่าคําว่าอีกหน่อยอีกหน่อยหนึ่งหรืออีกหน่อยนะมีนัยสําคัญมากในคําสอนพระเยซูตอนนี้มีการเปรียบเทียบว่า เมื่อถึงกาหนดเวลานะครับเป็นการเปรียบเทียบโดยใช้ผู้หญิงที่กำลังคลอดบุตรรออีกหน่อยนะรออย่างมีความหวังนะนั่นหมายถึงอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งที่บียสุกำลังให้กําลังใจเราครับรอคอยอย่างมีความหวังเมื่อถึงกาหนดเวลาลูกก็จะคลอดมาเช่นเดียวกันครับเมื่อถึงกาหนดเวลาเมื่อถึงกาหนดเวลา เสียงต่างนั้นในชีวิตของพวกเราก็จะผ่านพ้นไปอันนี้ผมอยากเนี <c> ่ย <oughs> หนุนใจนะครับสําหรับพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยครับอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งครับเราก็จะหายแต่สําหรับที่พระเจ้าไม่ได้ให้หายพระเจ้าต้องการรับไปกับพระองค์ผมก็ขอหนุนใจว่าอีกหน่อยหนึ่งครับโทนอีกนิดเดียวครับโทษอีกหน่อยหนึ่งครับเราก็จะพ้นความเจ็บความปวด เราก็จะหมดแล้วซึ่งน้ําตาเราก็จะหมดแล้วซึ่งความอึดอัดเราก็จะหมดแล้วซึ่งความผิดหวังเศร้าใจพี่น้องครับภาพที่สามหรือการเปรียบเทียบเหตุการณ์ที่สามก็คือการผสมผสาน ร, ระหว่างความเจ็บปวดกับความชื่นชมยินดีผู้หญิงที่กําลังคลอดลูกนั้นเขามีการรักคนกัน ของความปวดกับความดีใจในขณะที่ผู้หญิงซึ่งเป็นคุณแม่ปวดอยู่นั้นเขามีความยินดีลึกๆครับว่ารออีกสักนิดเดียวเขาจะได้เห็นหน้าตาของลูกที่เขารักหน้าตาของลูกที่อุ้มท้องมาเก้าเดือนสิบเดือนก็จะโผล่ออกมาให้เห็นในสมัยก่อนนั้นต้องลุ้นกันใช่ไหมครับว่าเป็น ผู้ชายหรือผู้หญิงในสมัยก่อนนั้นก็ต้องลุ้นครับว่าจะพิการหรือไม่พิการนะครับไม่เหมือนสมัยนี้แต่พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าความรู้สึกรักคนปนกันระหว่างความทุกข์ยากลําบากกับความชื่นชมินดีนั้นก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะเรารู้ว่าในที่สุดแล้วนะครับเราจะผ่านตรงนั้นไปได้ขณะนี้หลายๆท่านอาจจะมีความชื่นชมินดี รักคนกับความทุกข์ยากลำบากเมื่อคิดถึงพระเจ้าเรามีความหวังแต่เมื่อดูสถานการณ์แวดล้อมนั้นเราอาจจะสิ้นหวังหมดหวังขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจภาพของผู้หญิงคลอดฝุดทั้งสามประเด็นที่ผมได้หยิบยกมาแบ่งปันให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือให้พี่น้องที่จะเข้าใจว่า เราจะสามารถที่จะมีความหวังสูงสุดได้เข้าสู่สภาวะความเป็นนิรันดร์ได้รับบำเน็จจากพระเจ้าก็คือเมื่อเราตายหรือเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาหลายคนที่ฟังนี้อาจจะมีชีวิตอยู่นะครับเมื่อพระเยซูเสด็จมาอาจจะอยู่ทันครับนะครับก็ไม่อยากที่ให้ใครถูกทิ้งไว้หลังจากที่พระเยซูมารับพวกเราไปที่เรียกว่า left behind นะครับ ขอพเจ้าช่วยเราในการที่เราจะเตรียมตัวให้ดีครับเราสังเกตดูนะครับกําหนดเวลามันเริ่มเข้ามาใกล้แล้วอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งเราจะเห็นการเตือนของลักษณะของการเก็บท้องคลอดของผู้หญิงแล้วแสดงว่าการเสด็จมาของพระเยซูนั้นใกล้เข้ามาทุกขณะใกล้เข้ามาทุกเวลานาทีขณะนี้พี่น้องหลายหลาท่านอาจจะต้องรอคอย บางสิ่งบางอย่างอยู่ด้วยความอดทนด้วยความเก็บปวดหลายหายท่านอาจจะมีการผสมผสาน ร, ระหว่างสิ่งที่ดีใจกับสิ่งที่เศร้าใจเสียใจขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเข้าใจเรื่องนี้และขอนําความปรานสนาดีมาถึงพี่น้องทุกท่านก็ขอพระเจ้าอวยพรนําพาชีวิตของเราให้เราเตรียมพร้อมต้อนรับเสร็จกลับมาใหเราอดทน ในขณะที่เรามีความทุกข์ยากลำบากรักคนอยู่กับความสุขความชื่นชมินดีและให้เรารอคอยอีกหน่อยหนึ่งนะครับให้เรามีความหวังที่เราจะพบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอามนเ